สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงประเด็นที่3ของกฎข้อที่11ก็คือกฎแห่งการก่อนและหลังกฎแห่งการทําก่อนและการทําหลังหรือกฎแห่งการเกิดก่อนและเกิดหลังพี่น้องครับในวันนี้พระวจนะของพระเจ้า เยอะนิดหนึ่งนะครับบัททิวบทที่7จข้อที่หจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้รดฟังอีกครั้งหนึ่งจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ ตามกายภาพและอวัยวะตาของเรานะครับมองเห็นได้มองเห็นคนอื่นแต่มักจะมองไม่เห็นตัวเองแม้กระทั่งจมูกครับหลายคนก็มองเห็นปลายจมูกเราไม่ได้ตาใจของเราก็เหมือนกันเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นแต่ไม่ค่อยสํารวจตัวเราเองว่าต้องฝึกฝนแก้ไขอย่างไร พระธรรมยูดาบทที่หนึ่งข้อที่20ครับจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์หมายความว่าเราจะต้องวางตั ว, ตวของเราวางชีวิตของเราอยู่บนรากฐานอันหนาแน่นมั่นคงก็คือคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ พระคำมภียตอนนี้ครับทำให้เราเห็นว่านอกจากการที่เราจะต้องสารวจตัวเราเองไม่เพียงแต่เท่านั้นเราจะต้องสร้างชีวิตของเราขึ้นมาบนรากฐานที่มั่นคงนั่นคือหลักคำสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องหลักคำสอนที่บริสุทธ ปราศจากสิ่งเจียบลปัาจากสารพิษนั้นหาได้ยากแทบจะไม่มีเลยครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทา้าทายและในเวลาเดียวกันครับเป็นสิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในคณะที่เคยมีความเชื่อถูกต้องหลายหลายคณะหลายๆนิ ก, กายก็อาจจะเพี้ยนไปแล้ว นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายเองนั่นจะต้องสำรวจตัวเองครับในขณะเดียวกันครับเราจะต้องชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าในพระธรรมสอง ท, 2, ทิโมธีบทที่สองข้อยี 2, ให้เราทุกคนพิจารณาตัวเองดํารงอยู่ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องรู้จักที่จะสำรวจตัวเองตําหนิตัวเอง เตือนตัวเองรับผิดชอบตัวเองและในขณะเดียวกันครับเราจะต้องส่งเสริมให้ตัวเองนั้นมีกำลังใจที่มาจากพระเจ้าฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในทางของพระเจ้าและพยายามหักห้ามใจเซลฟ์คอนโทรลควบคุมตัวเองข่มใจและอดทนตั้ง อ, อกตั้งใจเพราะว่าใกล้จะถึงเวลา ที่องค์พระพุทธเจ้าจะเสร็จมาแล้วพระกัมพีหลายๆตอนครับที่เรานั้งหลายเรียนรู้จากการที่เราได้เข้าเรียนชั้นเรียนพระกัมภีร์หรือจากการฟังเทศนาพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะเห็นไม้ทั้งท่อนที่ตาของเรา พระเยซูสอนว่าจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดและจึงจะสามารถเขี่ยผงจากตาของพี่น้องของท่านได้นี่คือประสบการณ์ครับพี่น้องครับพระเยซูกําลังสอนประสบการณ์แห่งการชําระตัวเองให้บริสุทธิ์สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้จักและมีประสบการณ์ของการที่เราจะต้องเตือนตัวเอง ของการที่เราจะต้องสำรวจตัวเองการที่เราจะต้องถ่อมใจลงการที่เราจะตรวจสอบชีวิตของเรานั้นกับพระวจนะของพระเจ้าและการที่เราต้องพยายามที่จะควบคุมความต้องการฝ่ายต่ำหรือฝ่ายโลกซึ่งเราเรียกว่าตัวเก่าของเรานั้นนี่แหละครับคือความหมายของการดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์พี่น้องครับคริสเตียนนั้นมีสามช่วงระยะของชีวิตหลังจากที่เรารับเชื่อพระเจ้าแล้ว ช่วงระยะแรกก็คือตอนที่เรารับเชื้อพระเจ้าตอนที่เรากลับใจใหม่สารภาพบาปครั้งแรกเลยตอนที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตกระบวนการนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการทำให้เราเป็นคนชอบธรรมหรือ justification justification นั้นก็คือการที่พระเจ้าได้ทรงรับเราเป็นบุคลูกของพระองค์พระองค์ได้ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้ว เราเป็นคนชอบทำเพราะเหตุพระเยซูคริสต์ผู้ได้สิ้นระชนเพื่อเราบนแมงเขนและเรานั้นได้เชื่อและไว้วางใจโรงเปิดใจต้อนรับโรงประกาศตัวว่าข้าพเจ้าติดตามพระเยซูตลอดชีวิตข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วที่จะตามพระองค์เป็นสาวกของโรงนั่นแหละครับคือกระบวนการการ justification หลังจากนั้นคริสเตียนจะเข้าสู่กระบวนการที่สองทันทีเรียกว่ากระบวนการ sanctification sanctification mm hmm. แปลว่า sanctify แปลว่าการชำระตัวให้บริสุทธิ์นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้จากหนังสือของท่านศาสตราจารย์ด็ p h i l i ร์ฟิลิปเทงครับพี่น้องครับ mm hmm. เมื่อคริสเตียนเรานั้นจำเป็นที่ต้องสร้างชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักความเชื่อที่บริสุทธิ์ซึ่งมาจาก พ, าพระเจ้าและการสอนการไถ่โทด การสร้างสาวกเมื่อเป็นเช่นนั้นซูวิตคริสตนั้นก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไตระดับขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับและเมื่อถึงเวลาใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงรับและเรียกเขากลับสู่บ้านของพระองค์บนสวรรค์พี่น้องครับช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่หมดเซน i f i c a t i o n หมดการชำระตัวให้บริสุทธิ์แล้วเขาจะเข้าสู่สภาพที่สครับสภาพที่สมนั้นมีชื่อเรียกว่าการเข้าสู่สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า glorification glorify แปลว่าการที่จะมีชีวิตที่ยกย่องสรรเสริญถวายเกียรติถวายพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือชีวิตที่มี ภรสิรของพระเจ้าอยู่ด้วยครับนั่นเป็นประการที่3และ i f รย a t i o n นั้นจะเป็นสภาวะนิรันดรพี่น้องครับทั้ง3กรขบวนการนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่มีวันที่เราจะขาดจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้หากเราบังเกิดใหม่จริงๆหากเราตัดสินใจสารภาพบาป กับใจใหม่มีท่าทีที่ถูกต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงจังและจริงใจปราศกับใจตรงกันแล้วแล้วก็พี่น้องครับนั่นคือสภาวะการที่เรานั้นได้มีชีวิตนิรันดรเรียบร้อยแล้วการดำเนินชีวิตของเราต่อไปในโลกนี้ก็เป็นการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสด็จเข้ามาในชีวิตของเราและจะเติมเต็มชีวิตของเราให้การบัพติศมาเข้าไปสู่พระ ก, กายขององค์พระเยซูคริสต์หลังจากนั้นชีวิตของเราก็จะมีการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดเป็นระยะระยะตามแต่ที่เราจะใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าตามแต่ที่เราจะทูลขอตามแต่ที่ชีวิตของเรานั้นจะต้องบริสุทธิ์ พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เสด็จมาในภาชนะที่สกรปรกหรือในชีวิตของคนที่สกรปรกและในขั้นเดียวกันครับจะไม่เติมเต็มชีวิตที่สกรปรกเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะต้องรู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังครับทําตัวเองให้ถูกต้องชอบทำก่อนแล้วพระเจ้าจึางจะใช้ให้ไปกแก้ไข ทำคนอื่นให้ถูกต้องสิ่งนี้สำคัญครับไม่เป็นสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวเราได้ขาดไปพี่น้องครับเมื่อเราขาดอะไรฝ่ายจิตวิญญาณให้เราอาธิษฐานทูลขอครับพระเจ้าจะท่งประทานให้อย่างแน่นอนอาเมน